เรื่องอุบาสกห้าคนฟังธรรมพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภอุบาสกห้าคนฟังธรรมได้ยินว่าอุบาสกห้าคนไปสู่วิหารเพื่อฟังธรรมอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแล้วเที่ยวคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือ คนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแหงนหน้ามองดูอากาศแต่อีกคนหนึ่งได้นั่งฟังธรรมโดยเคารพพระานนท์ถวายงานพัดพระสัสดาอยู่และดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือธรรมลั่นดุดมหาเมฆคำรนแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านั้นแต่อุบาสกเหล่านั้น นั่งทํากรรมต่างๆกันนี้ละหนอพระศัสดาทรงตรัสเล่าบุรพากรรมเก่าของอุบาสกเหล่านั้นก็อุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งหลับเกิดในกำเนิดงูสิ้นห้าร้อยชาติพาศิษษะไว้บนขนดหางหลับแล้วแม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาไม่มีเสียงของเราไม่เข้าไปสู่หูของเขา ฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้นห้าร้อยชาติขุดแผ่นดินแล้วถึงบัดนี้ก็เขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจที่เคยประพฤติแล้วในการก่อนยอมไม่ฟังเสียงของเราฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเกิดแล้วในกำเนิดลิงสิ้น5้าร้อยชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็เขย่าต้นไม้อยู่ ด้วยสามารถแห่งความประพฤติมาแล้วในการก่อนเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาแม้พรามผู้นั่งแหงหน้ามองดูอากาศนั่นก็เกิดเป็นหมอดูผู้บอกเลิกยามสิ้นห้าร้อยชาติถึงบัดนี้ก็ยังแหงหน้าดูอากาศอยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติในการก่อนเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขา ส่วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยเคารพนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนถึงฟังแห่งไตรเวทสิ้นห้าร้อยชาติถึงบัดนี้ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนอยู่อนนธรรมะของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยยากบทว่าพุทโธธรรมโมสังโคก็ดีอันสัตว์ไม่เคยได้สดับแล้วในแสนกลับ สัตว์นั้นไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้ในสงสารคือสังสารวัตรนั้นอันใครตามรู้ไม่ได้สัตว์ผู้เคยฟังเดรัจฉานกาถามีต่างๆมาแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเที่ยวขับร้อนฟ้อนรำอยู่ในโรงดื่มและสนามที่เล่นเป็นต้นจึงไม่สามารถฟังธรรมได้อานน์อุบาศกเหล่านั้นอาศัยราคะ โทสะโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถฟังธรรมนั้นได้ชื่อว่าไฟคือราคะโทสะโมหะย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายไม่ว่ากาหนไหนไฟคือราคะเป็นต้นที่จะไม่ไม่สัตว์ย่อมไม่มีไฟย่อมเสมอด้วยราคะโทสะโมหะไม่มี สำหรับข้อนี้แม่ไฟซึ่งยังกลับให้พินาศอาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์เจ็ดดวงบังเกิดขึ้นยอมไม่โลกไม่ให้วัตถุร่ไรเหลืออยู่เลยก็จริงไฟนั้นยอมไม่ในบางกล่าวเท่านั้นตรัสเป็นพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับไฟเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้าเสมอด้วยตันหาไม่มีอธิบายคำว่าผู้จับไฟเสมอด้วยโทสะไม่มีความว่าผู้จับทั้งหลายคือยักษ์ผู้จับคืองูเหลือมผู้จับคือจอระเข้เป็นต้นยอมจับได้ในอั ต, ตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะ ย่อมจับโดยส่วนเดียวไม่ปล่อยทีเดียวเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้จับไฟเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีคำว่าขายเสมอด้วยโมหะไม่มีเพราะว่ารัดรึงรวบรัดเอาไว้แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความว่าเวลาพร่องเวลาเต็ม เวลาแห้งของแม่น้ำย่อมปรากฏแต่เวลาเต็มเวลาแห้งแห่งตันหาย่อมไม่มีความร่องอย่างเดียวย่อมปรากฏเป็นนิดเต็มได้โดยยากในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมโดยเคารพนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหล คำว่าไม่เคยได้สดับแล้วในแสนกับก็จะไม่ได้ฟังเพราะผลของวิบากกรรมเกา่าข้อนี้ทำให้เข้าใจเรื่องกรรมสูตรชัดยิ่งขึ้นคนที่เคยสดับแล้วในอดิตชาติชาตินี้ยอมได้สดับและชาติหน้าก็ยอมได้สดับอีกนี้เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งในปัจจัยยี่สิบสีในเหตุปั จ, จยโยหาอ่านได้โดยละเอียดในหนังสือมนุษย์เกิดมาธรรมไตเล่มที่8